ตอนอบรมกรมสัรพสามิตรภาคหนึ่งระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคม2559ตอนที่3ก็ฟ้องด้วยภาพไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วก็ปัจจุบันนี้โรงเรียนกติกทักเริ่มอบรมผู้ปกครองทุกเสาที่ผู้ปกงองไปปฏิบัติที่โรงเรียนได้นะก็ครอบครัวจะได้คุยภาษาเดียวกัน ตอนนั้นต่างคนต่างทํางานหนักมาที่บ้านก็ต่างคนต่างหันหลังให้กันตอนนี้พ่อแม่ลูกเช็คแอนด์แดนซ์ด้วยกันคุยภาษาเดียวกันนะข้อครวรไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกนะความสุขมีไว้แล้วข้างในแค่เอาความทุกข์ออกเท่านั้นเองตอนนี้เราสแสวงหาความสุขกับข้างนอกไปซื้อหาความสะดวกสบายความอร่อยเนี่ยเพื่อจะแรกค้าความสุขแต่ถ้าเราเช็คแอนด์แดนซ์แล้วเนี่ยเราสุขทุกวัน นะตอนนี้ก่อนไปทักเริ่มจากเด็กก่อนเด็กก็ พ, า พ, า พ, าพัดพาคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติที่บ้านนะแล้วก็ปิดเทอมนี้เขาก็อบรมทุบข้อแล้วก็ให้คุ้คของสมัครตอนน่อไปนี้ทุกเสาร์คคอาทิตย์ทุ่มข้องก็มาปฏิบัตที่โรงเรียนครอบครัวจะได้มาพูดนะทุกวันนี้ที่เราคุยในเรื่องว่าเรามีทิฏฐิมานะกำลังเด็มันยังหลายปีก่อนมีสตรีท่านหนึ่งอยู่ เพราะกูจำไม่ได้ว่าสมุดสาครนหรือสมุดปากกาเนาะวันนั้นเขาโทรไปที่ศูนย์เขาบอกว่าวิธีไปศูนย์เร็วที่สุดไปอย่างไรนะบอกถ้าคุณมาออกมาตอนนี้มาถึงอุบลในกลางดึกนะเขาบอกว่าเขาต้องออกจากบ้านเดี๋ยวนี้มีสองอย่างถ้าเขาไม่ออกเดี๋ยวนี้เขาจะฆ่าตัวตายนะเขาก็มาจริง พอมาถึงว่ากูไม่ได้คุยด้วยเห็นจิตเขาเนี่ยบังเอิญว่าอบอกบอกเขาไปนอนก่อผูรุี้เช้าไว้คุยกันแล้วก็ชั่วโมงเช็คแอนแดงเข้าไปเขาสั่นเตือนเท่า น, นเองเขาหลุดออกมาจากกะลม น, นั้นเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรบางคนยังคิดยังทํานะอกขักด้วยถูกเขาโกงด้วยอะไรกูตายรูปเดียวอ <c ười> ย่างคนเขากําลังคิดไม่ออกนะเราไปสั่นเขาเนี่ยให้ตื่นตื่นตื่นตื่น ถ้าเขาหลุดออกจากอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยสติเขาตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเลยชีวิตเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นยนะย้ำคิดย้คำคํากับเรื่อง น, นั้นแล้วออกมาให้เป็นตอนนี้เรามีเครื่องมือแล้วนะนะาคำว่าเช็คนี่คือเช็คอัพโยมายคือกระตุ้นจิตให้ตื่นส่วนแดนส์เนี่ยแดนเซอร์ไซส์แล้วออกกำลังกายด้วยการเต้นหลังนะสองอย่างนี้รวมกันคือกายจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนะ อันนี้ท่านในครั้งเจริญสติเรียกว่ามหาสติประสานคือกายเวทนาจิตทั้รวมเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นมหาสติเป็นสติใหญ่มีประโยชน์มากนะครับก็พรอครูเข้าคำตอบเลยเดียวไม่มีเวลาเข า, เามีคำถาม <Pine> เนาะเวลาเต็นมากๆมันจะเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้ แล้วจะขาดใจตายหรือเปล่าครับถ้าเป็นเปิดเพลงเองที่บ้านจะทําได้หรือไม่ครับคำตอบคือทําได้ครับเอมันเหมือนจะตายมันไม่ตายจิตไม่ฆ่าตัวเองจังไว้จิตเข้าห่วงร่างกายนี้มากแต่อีที่จะตายคือใจมันบอกว่าจะตายใจมันใจสองมันสําอิลมันจะหลอกเรานะมันจะหลอกเรานะ อย่าไปเชื่อใจเราเราถูกใจเรามาห ล, ลอกมตลอดชีวิตเราเพราะเขาชมเราบอกดีใจดีใจเพราะเขาด่าเรามันบอกมันเสียใจเสียใจมันโกรธมากมันสั่งจิตว่าสั่งปาดดาวไปคืนเลยถ้าเธอไม่ด่าเนี่ยฉันจะนอนไม่หลับเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวมันมันจะเสียใจใช่ใชไหมเราก็ทําตามใจแเ้าก็ด่าไปเลยพอด่าไปเลยบอกสาใจมากเพราะมันสาใจมากเหมือนเราอาหารให้มันกินเนี่ยมันก็ออกลูก หอกลูกตอนนี้เขาด่าเมื่อคืนมันบอกว่าด่าจะเสียลูกมันไม่พอกินมันบอกตบมันเลยตบมันเลยนะทีนี้เราเป็นคนมากง่ายเรากลัวมันจะเสียใจแล้วก็ตบมันไปเลยเพราะตบไปเลยเนี่ยมันบอกสะใจลูกมันออกหลานลูกมันออกหลานนี่มันมีกําลังไงทีนี้พอเขาตกเมื่อคืนมันบอกตกไม่พอแล้วหลานไม่พอกินบอกฆ่ามันเลยกรุงเทพใช่ไหมขับรถแซงไลยแซงมาแซงปุ๊บยิงตูมเลยชีวิตเราเนี่ย อ่อนไหวมากเพราะว่าจิตเราเนี่ยเป็นธาตของใจใจรองเรามาตลอดชีวิตเราทําตามใจตลอดตอนนี้เราจะปลดปล่อยจิตเราให้หลุดพ้นจากความเป็นธาตของใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะต่อไปเราจะไม่เป็นคนมักง่ายเราจะไม่ทําตามใจเราจะทําตามเหตุและปัจจัยถ้าเราสูนใจเราได้เนี่ยง่ายไปหมดเลยความถูกต้องคือความง่าย ง่ายในการที่ไม่ต้องไปด่ามันคืนไม่ต้องไปสร้างกรรมเห็นไหมเราก็นิ่งเฉยได้นะก็เออมันเหมือนจะตายมันไม่ตายหรอกถ้าเกิดเราใช้ใจเต้นเห็นไหมเราหยุดแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้าจิตเต้นนะ่ะมันไม่ยอมหยุดแล้วต่อไปเนิวตอนที่เราเต้นเนี่ยหัวใจก็ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายแรงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจจะได้ออกกาลังออกกาลังใจมากขึ้น มันรู้สึกเหนื่อยธรรมดาเวลาเราออกกำลังกายเราก็ต้องแันด้วยความเหนื่อยแต่สุดท้ายเราก็แข็งแรงเราได้ออกกำลังใจออกกำลังจิตออกกำลังกายปรับสมดุลทาง อ, องารมณ์เ น, นี่ยไปพร้อมๆกันนี่เรียกว่า holistic คือว่าบูรณาการนะครับทางตามขั้นตอนเสร็จมีอาการมึนสีรษะเพราะอะไรขอบคุณค่ะพราะมันเหมือน อรหันต์จี้กงเนี่ยเทคนิคท่านคือกินเหล้าให้มันเหมือนมอมสมองสีดซายนะทำให้สมองเนี่ยมันไม่แข็งแรงม่ควบคุมเราไม่ได้ <c oughs> ตัวเมาจิตไม่เมาจิตก็ตื่นรู้แต่อย่าเลียงแบบนะอย่าเลียงแบบเก้าสบเก้าเปอร์เซนกินเหล้าแล้วก็เรียบร้อยเลยขาดสติแต่สูตรอรหันต์จี้กงคือมอมมัน <c oughs> ที่เราเวียนีให้มันมึนถ้าเราไม่มึนเราไม่ยอมอาเจียนอาการอาเจียนอาการมึนงงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไอ้สมองเราเนี่ยมันสั่งการเราตลอดเราทาให้มันอ่อนแอจิตจะได้ตื่นรู้เราปฏิบัติแนวนี้เดี๋ยวท้องอืดท้องร่วงเวียนหัวเนี่ยความไม่ปกติเกิดขึ้นคือความปกติของแนวนี้กลังปรับสมดุลอยู่ ถ้าไป น, นั่งชานสบายสบายติดสุขมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเสียเวลาแสดงว่ายังไม่ทำานนะเนี่ยจิตมันกาลังปรับสมดุลของร่างกายดื่น้าําับไฟเออมันจะอาเซียนเนี่ยเรามีาแผนกกระโถนอยู่นะั้นเอาเลยมันขับพิษอะไรมามันดีท็อปนะจําไว้ว่าไม่มีอันตรายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจิตเขากําลังปรับสมดุลคนเป็นโรคกระเพาะอย่างแรงเนี่ย กินยาไม่รักษาหายเราคือเคอเรือบไม่เฉยไม่ให้รู้สึกปวดนะนะมันไม่มีวันหายแต่เวียนปุ๊บเวียมนมนรักษาหายขาดนะอันนี้ให้เชื่อมั่นในจิตเรามันเป็นอาการปกติจากที่ได้ฝึกปฏิบัติมาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นหรือเด็กที่เป็นไฮเปอร์ได้หรือไม่ก็โรงเรียนกรพิทักษ์นะเด็กไฮเปอร์กลายเป็นอัจฉริยะเมื่อจิตมันหลุนพ้นออกจาก ก็ก็เหมือนอฟ้าทายที่ท่านเป็นโลกพูดพูดติดอ่านอะไรทำเป็นอุปทานอย่าง น, นนะถ้าจิตหยุดออกจากโปรแกรมนั้นแล้วนี่จิตมันอิจฉาอัจฉริยะจิตทุกดวงเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วเรามีปัญญาอยู่แล้วแต่เราติดบวงอุปทานเหล่า น, นี้ร้องไห้เด็กง่ายกว่าผู้ใหญ่นะที่ศูนย์เด็กสี่ขวมมันสั่งแค่สองครั้งมันมันระนลึกชาละ พวกเราต้องแรงๆหน่อยหนึ่งเพราะมันหนากว่าอี็กนู้นของเราเวลาปีใหม่นี่ส่งสกรสด้วยรักและผูกพันนะทั้งผูกทั้งพันกลัวมันหลุดใส่กาวยี่ห้อรักไปด้วยนล้จะเป็นไหนล่ะกอดคอกันข้ามพวกข้ามชาติไงนะอันนี้เรากําลังมาเวียงมันออกมีเพื่หลังคนนึงถามพ่อครูพ่อครูบอกเวียงทิ่งเวียงทิ่งผมจะลืมแม่ผมหรือเปล่าเนี่ย เราไม่ลืมแต่เราเหวี่ยงความคิดมั่นถือมั่นกว่ากังวลออกนะจิตใจอิสระนะสมองจะปลอดโปร่งมากขึ้นเรียนรู้อะไรจะได้เหนวขึ้นเด็กเนี่ยถ้าได้ฝึกตรงนี้แล้วเนี่ย เ, เรื่องอารมณ์เขาก็ได้ปรับสมดุลอารมณ์นะแล้วก็เรื่องปัญญาเก่าเขานี่นแสดงออกมาเอามาใช้ชีวิตปัจจุบันนะเด็กจะเป็นอัจฉริยะคนที่ฝึกแล้วปวดเมื่อยไม่สามารถทาเต็มที่ ได้เต้นได้ทำเบาๆจะได้ผลไหมคะทำเบาๆก็ได้ผลเบาๆเนาะทํามากๆก็ได้ผลมากๆอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องระบบธรรมชาตินะมันเมื่อยเป็นเรื่องปกตินะเราออกกาลังกายเราก็เมื่อยทาไมเราตื่นเช้ามาไปจ็อกกิง้งเมือเ่อยเนือเนื้อไหลไครย้อยทําไมเราต้องยอมอดทนเพราะเรามีศรัทธาเชื่อว่าเมื่อเราออกกําลังกายเราเมื่อยแล้วเราจะแข็งแรง อันนี้ไม่ใช่กายอย่างเดียวเนี่ยเอาจิตด้วยเอาอรมณ์ด้วยเนี่ยมันสาสามอย่างรวมกันเนี่ยแต่เมื่อยตัวนี้นี่เดี๋ยวทักหนึ่งมันก็หายเร็วนะจิตพลังจิตมีมหาศาลนะครับก็ทำเท่าที่เราทําได้แหละนะอดทนหน่อยหนึ่งฝืนความเมื่อยโดยเฉพาะแนวแนวนี้เพราะครูใช้เวลา ข, ขอพูดเลยเดี๋ยวจะลืมนะเพราะครูทุกวันนี้ยี่เจ็ดปีไม่ไม่เคยลืมหรอกเพราะมันไม่จับเนาะ เรารู้ต้องขอขอพูดก่อนไม่งั้นมันมันไม่มีจําเลยมันไม่มีมันล่างสัญญาหมดละคนเราถ้าไม่อยากลืมไม่อย่างเดี๋ยวฉะนั้นคืออยากจําไม่อยากเสียเหลี่ยมคือไม่ต้องมีเหลี่ยมเวี่ยงทิ้งหมดเลยถ้าเอาซ่อนไว้ตรงนี้เราก็ยังกลัวว่าเขจะมาขโมยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีเหลี่ยญเราก็ไม่ต้องเสียเหลี่ยมถ้าไม่อยากลืมคือไม่ต้องจําชีวิตเราไม่ต้องจํามีอะไรต้องบันทึกก็ให้เอาเทคโนโลยีบันทึกหรือบันทึกไว้เนี่ยอย่าไปจํามันกลายเป็นขยะ นะจิตมันชลาขึ้นจะไม่จำหรอกนะก็ทุกอย่างต้องแรกอ่าเราอยากแข็งแรงเราออกกาลังกายออกกำลังกายแข็งแรงเนี่ยเราแบ่งความแข็งแรงนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมให้คนที่เราเลีได้ไหมไม่ได้ใครทำคนนั้นจะได้กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะเป็นเรื่องเฉพาะตัว เราต้องเตรียมเนื้อเตรียมยตัวอย่าฝืนกดแห่งกรำใครถ้าเรารักเขาจริงๆเราต้องแนะนําให้เขาปฏิบัติแล้วเขาจะได้แข็งแรงเองนะครับวันที่จะพูดเรื่องไหนไม่รู้มันตัดเลยนะวันที่เป็นไหนไม่รู้ฮะก็ไม่รู้เนาะไปตามไหมทําทไมสุดอย่างอะไรก็ไม่นิ่งคอยมีอะไรเข้ามา ในความคิดตลอดเวลาเป็นเรื่องปกตินะครับถ้ามันไม่คิดนี่เราเป็นพ้าละหลนะันแล้วเนาะตอนนี้เป็นมูหันไปก่อนเนาะความคิดเป็นปกติมันเป็นกิเลสเราไหมนิ่งไม่นิ่งไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ที่ว่าความคิดหี่อะไรมาแทร น, นะอยู่ที่ว่าเรารู้เท่ากันมันไหมนะคิดบ่อยไปคิดไปเลยพ้ามาด้วยอย่าหยุดคิดนะฉันกําลังสนุกอยู่นะแต่ถ้าเราเบื่อความคิดเมื่ อ, อไรเนี่ยเราจะมีผลสำับมัน ควาคิดจะสร้างอารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านเบื่อนะปล่อยมันคิดไปเลยเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติเราเต้นก็อยู่กับการเต้นเราลัมก็อยู่กับการลัมความคิดเป็นปกติเราห้ามมันไม่ได้เรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันว่ามันกําลังคิดเราอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองถ้าเราฝึก บ, บ่อยๆคนเขาด่าเราอย่าไปห้ามเขานะเขามีป่ากเขามีอารมณ์เขาก็ดา่าแต่เรารู้เฉยๆกระทบผูไม่กระเทือนใจ เราต้องป้องกันตัวเองเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้มีเกราะป้องกันภัยเห็นไหมเราเปลี่ยนสิ่งแวนล้อมมวลภาวะไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้มีความเข็งแข็งเข้มแข็งได้นะเนีนี่คือการพึ่งตนเองล่ะนะก็สี่โปรแกรมที่เรามาอยู่ที่นี่สี่โปรแกรมนะมิจะอยู่กับตัวเองทั้งหมดเพียงแต่แว่าแต่ละโปรแกรมนี้มีอารมณ์ไม่เหมือนกันคือเราฝึกจิตฝึกให้จิตอยู่ อยู่ที่ทุกๆสถานการณ์ได้เงียบเราก็ต้องสงบเสียงดังก็ต้องสงบบางทีเราเข้าใจว่าให้สงบอะไรเสียงวุ่นวายหมดสงบไม่ได้ไปว่าเงียบนะสงบเงียบเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตจิตต้องสงบนิ่งเอานิ่งก็อยู่เฉยๆจีไปเต้นแลเต้นกาทำไมนิ่งไม่ได้อยู่เฉยมันต่อไม้นะนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวชีวิตเรานิ่งเฉยๆเรากินข้าวได้ไหมเราทํางานได้ไหมเห็นไหม มันต้องเคลื่อนไหวแต่เรานิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับมันเห็นไหมบางคนปีวิเว่ยเบือบ่อเบื่อฉันจะไปอยู่ในป่าคนเดียวเออเงียบเงียบสบายสายพอนั่งหลับตาปคิดถึงในกออิจฉาในขอเอออเาคาดในนั่นอ่ะอันนี้ไม่ได้นิ่งเลยนะไม่ได้สงบเลยนะเมื่อกี้เราเต้นสามสี่สิคนเราเต้นจนต่างคนต่างอยู่กับตัวเองนั่นแหะคือสงบมาก เรานิ่งอยู่กับการสิ่งที่เราทำอยู่เ mm. ห็นมเสียงข้างนอกกระทบไม่กระเทือนและชีวิตเรามันไม่ได้เงียบอย่างที่เราว่าเนี่ยออกไปที่นี่ก็าโลดติดนึ่ยเขาด่ากันก็ได้ยินหมดเราต้องฝึกกับความเป็นจริงเสียงนั้นกระทบไม่กระเทือนเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะนี่โปรแกรมเนี่ยทาให้เราอยู่กับตัวเองตลอดอยู่กับปัจจุบันนะ mm. ก็พวกเราเป็นนักทางานนะ ครูก็ฝากไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าอดทนทํางานเพื่อความสุขจงทําตนให้มีสุขเมื่อได้สังมาสุขทุกวันต้องกําไรความสุขทุกวันเรื่องอะไรไปอดทนนั้นมันสําเร็จค่อยๆสุขนะบางทีชาตินี้ไม่สำสำเด็จก็เลยทุกตลอดชีวิตเป็นคนโงนะ่นะนะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราจะสุขไม่เป็นนะนี่เรามา บึวิชาชีวิตเราอยู่กับชีวิตตัวเองเมื่อเรารู้ว่าชีวิตประกอบด้วยกายกจิตอารมณ์นะการทํางานเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นสัมมาชีวะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเราก็ต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำคือเราจะเบื่องานกระชั้นถ้าเราไม่มีทางเลือกนะเพราะเราต้องดํารงชีวิตเนี่ยต้องเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้มีความพึงพอใจลักงานที่เราทําไม่งั้นเราขาดทุนนะขาดทุนวันหนึ่งเราจะทุกกับมันวันหนึ่ง เปลี่ยนอารมณ์ให้ชอบเลยงานหลวงงานลาดงานส่วนตัวก็ช่างเรามีหน้าที่ทําเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ชอบมันคือมีฉันทะมีความพึงพอใจกับมันเมื่อเรามีความพึงพอใจกับมันเนี่ยเราจะมีวิริยะเราจะขยันเรามีความสุขไงเราพอใจไงจิตก็ตั้งมั่นไงเห็นไหมแต่ถ้าเราเบื่อมันตั้งแตตื่นเช้ามาไม่อยากไปเลยเว้ยมันทุกตั้งแตยังไม่ออกจาก บ, บ้านเลยนะแต่ยังไงเราก็ต้องไปไงแล้วก็เสียเวลาชีวิตไปวันหนึ่งแก่ไปวันหนึ่งแล้วก็ กำไรอะไรกำไรความทุกข์อีกวันหนึ่งนะนี่คือคนโงนะ่นะนะถ้าคนฉลาดนี่เรื่องอะไรเราจะไปทุกข์กับชีวิตนะเรามีความพึงพอใจทำงานอยากไปทํางานเห็นการแล้วมีความสุขนั่นแหละเนี่ยอย่าอดทนทํางานเพื่อความสุขจงทําตนให้มีสุขเมื่อได้ทํางานเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้เรามีความพึงพอใจทำงานที่เราทานะเมื่อเราพึงพอใจเราจะมีวิริยะเราจะขยันไม่เหนื่อย ยิ่งได้ออกกําลังกายมากยิ่งประสบการณ์มากนะแล้วก็จิตก็ตั้งมั่นเจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเราก็มุ่งมั่นแก้ไขเราเราไม่ทอ้อถอยเพราะเราพึงพอใจกับมันเห็นไหมมันก็เกิดปัญญาด้วยนะประสบการณ์ที่เราทํานี่มันจะเกิดปัญญาเพราะเราจดจ่อกับมันเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันสําเร็จเพราะอะไรมันไม่สําเร็จเพราะอะไรนะอันนี้คือหลักอิทธิบาทสี่เนาะทีนี้การอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะสองคนขึ้นไปเนี่ย ต้องยึดหลักคงวิหารสีแล้วต้องมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาบังเอิญเพื่อนได้ดีกว่าเราไปอิจฉามาันอิจฉาจนตายมันก็ได้ดีกว่าเราแล้วไงใช่ไหมเราต้องมีความอจิต ด, ดีกับเขาได้บุญนันดีเลยนะบุญคือเบาบาบขึ้นอะใช่ไหมพอชนกันหน่อยหนึ่งก็ต้องอุเบกขาเป็นก็ต้องนิ่งหน่อยหนึ่งเออช่างมันเกิดนะนี่คือการอยู่ร่วง ชีวิตเราจะไม่ทุกข์ไม่มีเหตุผลต้องทุกข์ทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเราไม่ยอม ก, กันแล้วมีทิตฐิมานะไงเห็นไหมกลัวได้เปรียบกลัวเสียเปรียบอยู่นะั่นเธอก็ ก, กลัวฉันเขกลัวทุกคนแบบกภูเขาอยู่ในอกนะอันเนี้สมมติว่าเพื่อนยืมเงินไปมันโกงเงินเราเพมันเกิดอุปัติเหตุอะไรมันไม่จ่ายแล้วก็ไปด่ามันดา่ า, ดาแล้วสุดท้ายก็ไม่จ่ายไงกลับมาถึงบ้านเนี่ยยังไม่ยอน ยังไ ม, ไม่ไม่ยอมหลับนะหลับไม่ลงยังเครียดมาอยู่นะเห็นไหมเสียเงินไม่พอนี่เสียใจด้วยเสียสุขภาพด้วยอันนี้เรียกว่างโง่ซ้ําซาใช่ไหมเราทําหน้าที่เราดีแล้วก็จบเลยก็าวางมันซะแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ระวางไม่ลงหลอกนะความพยายามความเครียดแทนเนี่ยความทิฏฐิมานาเนี่ยชีวิตเราอุ้มกับเรื่องไร้สาระเยอะมาก นะฟังพวกกูพูดเนี่ยเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ยังวางไม่ลงหรอกฏิบัติเยอะๆครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแนะ่นอนพ่อครูใจว่าเสียดายเวลาสั้นกันหน่อยหนึ่งนะก็เราทำทุกอย่างเพื่อชีวิตเราเรียนเพื่อชีวิตเราทำงานเพื่อชีวิตด็กเรก้อยเมื่อกี้เจ้าของโรงเรียนนะเขามีโครงการใหม่เพาถมที่วิทยร้อย 6,000 ล้าน สร้างโรงเรียนใหญ่วันนี้อชั้นหนึ่งเขาโปรแกรมโรงเรียนเขาเนี่ยอยู่ตัวแล้วละ่ะจะเปิดอีกกี่โรงเรียนก็ได้หนะลังจากไป็ประเดิมพ่อครูแกบกว่าพ่อครูแกยกเลิกโครงการนั้นแกจะไม่ทํางานใหญ่อีกต่อไปแกจะทํางานที่ยิ่งใหญ่คือการให้นะเขาจะเริ่มให้เด็กๆให้ผู้ปกครองนะคือสํานึกมันเกิดขึ้นแล้วไงสํานึกทุกคนมีอยู่แล้วอย่าไปสอนเท่านะ ทุกวั น, นี้เป็นปลูกสานึกเขาคุณเป็นใครคุณบางอาจไปปลูกสํานึกเขาเขามีจิตสํานึกอยู่แล้วนะแค่เราปลูกสํานึกเราตื่นเท่านั้นเองเด็กๆปลูกง่ายเพราะเขายังบริสุทธ์นะพวกเราต้องแรงหน่อยหนึ่งนะเพราะมันปิดกาวตาช้างอนะ่ะเนาะด้วยรักได้ปลูกพันนะ่เนาะปลูกอยู่ตรงนั้นแหลนะะพวกเราต้องสั่นมันแ ร, แรงหน่อยหนึหน่งนะเออขอครั้งเดียวนะ แค่เราปลดปล่อยเราดุจเข้าไปในจิตทั้งเดียวเนี่ยต่อไปเราเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้เราเข้าไปในเว็บไซต์เราเมื่อไหร่ก็ได้นะเรื่องนี้สําหรับพวกครูแล้วเนี่ยพวอครูทํามาหมดแล้วชีวิตพ่อครูต่อสู้มาลองมาหมดแล้วนะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่พอมาเจอสิ่งนี้พวว่อกรธชีวิตพ่อครูเจอแล้วไม่มีอะไรต้องสแสวงหายอยู่แล้วที่เหลือเป็นส่วนเกินทั้งหมดพร้อมที่จะแบ่งปันนะก็ก็ให้กําลังใจทุกท่าน นะแต่ก็อย่าตั้งใจมากตั้งมันทำแค่พอดีเท่าที่กำลังเราทำได้แล้วก็พอกลับบ้านอย่าทิ้งนะครับถ้าวันไหนกินข้าววันไหนอาบน้าวันนั้นต้องปฏิบัติถ้าวันไหนที่เกียรติปฏิบัติวันนั้นต้องไม่กินข้าวต้องไม่อาบน้ำอันนี้สำคัญกว่ากินข้าวอาบน้ำนะฟังบ๊กคูนะ ถ้าปฏิบัติแล้ววันไหนเราที่เบื่อกินข้าวสามเดือนไม่ต้องกินก็ไม่เป็นไรสบายสบายด้วยเข้าใจไหมอันนี้สําคัญที่สุดในชีวิตเราอาบน้ําทําไมเรากลัวเป็นโรคผิวหนังเขาว่าเราเมงไงไหม็นไงทำไมอาทุกวันยังอาบอาบวันนี้พรุ่งนี้ก็เพื่อนอีกก็อาบอีกเราไม่เคยอาบจิตเลยจิตเราเพื่อนทุกทุกนาทีดีใจก็เพื่อนแล้วนะเสียใจก็เพื่อนแล้วนะเห็นไหมที่เราสุขเราทุกมันเป็นเรื่องของจิตวิ ญ, ญญาณเนี่ย เราละเลยชีวิตเราแล้ตัวนี้เนะจะบรรทอนของกายภาพโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมา27ปีพ่อคุณระเบิดพ่อคุณบอกว่าให้ยมะเร็งมันเกิดจากต้นเหตุอันดับแรกคือความเครียดคุณหมอหลายท่านด่าพรอคุณว่ามาทุกคนนี้ทุกคนยอมรับความเครียดมันเป็นอย่างนี้เหมือนเรามีรถยนต์เนี่ยเราไม่ยงแต่ใช้มันใช้มันใช้ไม่ใช้มันไม่ใส่เข้าอู่เลยเห็นไหมใส่กองน้ํามันใส่กองอากาศไม่เคยไปทําความสะอาดเลยน้ำมันเครื่องก็ ดำปีเลยเนี่ยเดี๋ยวมันสูญฉีมนั่นมันสำํสำลักสําลักเนี่ยเดแหวนลูกสูบพังหมดนะร่างกายเราก็เหมือนกันเห็นไหมเรากินข้าวเข้าไปเรามีฟันมาเคี้ยวมีน้ําลายย่อย ย, อย่ยอย ย, อย่อยย่อยอาหารมีกระเพาะลําไส้รองรับ ย, ย่อยมีโรงงานขับน้ําเสียโรงงานขับกรร .asc อาหารย่อยเอาของดีมาใช้ของเสียขับทิ้งเรามีอัตโนมัติแต่ตอนนี้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า immune system เนี่ย ภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติมันทํางานไม่เต็มร้อยเพราะความเครียดของเราพราะเรากินสารพิษเข้าไปหน่อยมันขับมาไม่หมดมันก็เรียกว่าสารตกค้างนี่คือมะเร็ง น, นะพึ่งตนเองพึ่งยาพึ่งหมอสักห้าเปอร์เซ็นต์พึ่งตัวเอ ง, ง, ง, องเก้าสิบห้าเปอร์เซนะตอนนี้งบประมาณซื้อยาซื้อยาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะพวกในการโรงพยาบาล น, น, น้าหนาวพึ่งรายงานก็กลุ่บอกว่าปีนี้ต้องเพิ่มสามสิบอร์็ตในขณะที่ ประชากรเท่ากันพวกเราไม่นาที่เก็บภาษีเก็บภาษีเก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะคนมันจะไม่สบายมากขึ้นเราต้องแก้ที่ให้คนมันแข็งแรงยุคนี้เป็นยุคตกต่ําที่สุดถ้าเราศึกษาประวัธธิศาสตร์โลกนะยุคหนึ่งยุคล่านาะนิคมคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถ้ามีนา น, นิคมเยอะๆเนี่ยนะเขาจะมั่นคงเขาจะนั้นเขาล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกผู้ถูกล่ า, ลาก็ตุ้มถูกแรงต้านความคิดนั้นล่มสลาย มียุคหนึ่งค้าขายเสรีใครไข่ค้าค้าใครใข้ขายขายขายทุกอย่างที่กวางหน้าเอามนุษุ์มาเป็นสินค้าพ้าท่าเห็นไหมก็เกิดแรงต้านบนุษย์เราไม่รู้จริงลองถูกลองผิดยุคเราเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี้ยุคเดียวกันนะอายุเท่าไหร่จะช่างยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเจดแปดสปีที่ผ่านมาผู้ชนะสงครามตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีเลกตุ้มเป๊ะหมดเลย น้ำมันก่อจะเป็นน้ํามันกี่ล้านปีมันสูงขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านปันเลีวมันแรกเป็นเงินข้าล่างก็เป็นพวกหมดความคิดแบบนี้ล่มสลายะนะเอาว่าเข้อคู่เห็นโจดแล้วว่ามันแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้ยิ่งมายิ่งเหลื่อมล้ํามวลภาวะเป็นพิษมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยคนล้นคุกคนล้นโรงพักคนล้นโรงพยาบาลมันรอระเบิดความคิดนี้ล่มสลายและแก้ปัญหาอยู่ที่ว่า อะไรจะลงมมันเราจะเห็นนะหนึ่งสงคารามอาวุธนิวเคลียร์สงคารามร้างนี้สองภัยธรรมชาติแรงขึ้นทุกวันสามโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดเนี่ยเดี๋ยวโรคซาโรคอีโบล่าต่อไปอีดำอีแดงมันมาหมดเราเบรกมันไม่ได้เราต้องทำให้ตัวเ อ, ง, องแข็งแรงผ่อนหนักเป็นเบาโอเคนะครับได้เวลาพรอปูและก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวปฏิบัติต่อ มีไหมมีปฏิบัติไหมอ๋อทานข้าวเนาะ